ขอความเจริญในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมประโพธิยานกำมังนำเสนอเรื่องตอนปยะยามาณนปลอมตัวมาสอบถามเป็นลักษณะทดสอบประพุทธเจ้าแต่เมื่อแน่ใจว่าไม่สามารถที่จะควบคุมประพุทธเจ้าได้ ก็ได้กล่าวเป็นนองๆตำหนิตัวเองหรือว่าอาจจะสมอำนาจตัวเองนินดๆก็ได้ท่านบอกว่ามารผู้มีบาปได้กล่าวคาฐาแสดงความเบื่อหน่ายในสำนักของพระผู้มีรภาคว่าุงกาเห็นก้อนหินมีสีดุดมันค้นจะบินไปใกล้ด้วยเข้าใจว่า เราทั้งหลายพึงประสบอาหารในที่นี้เป็นแน่ความยินดีพึงมีโดยแท้เมื่อพยายามอยู่ไม่ได้อาหารสมประสงค์ในที่นั้นจึงบินไปกาแต่พระโคโดมะโรองก็เหมือนกามาพบศิลาฉะนั้นขอหลีกไปเมื่อหลีกไปเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงท่านเป็นตัวตนคือเป็นเทวบุตรมาน ไม่ใช่อย่างที่เราชอบนำอธิบายกันต่อเป็นเรื่องของกิเลสคือข้อที่ไม่ควรลืมว่าช่วงตรงนี้หรือแม้แต่จะอยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ห้าก็ตามนะครับคือเป็นช่วงที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุอาสวะกิานแล้วกิเลสได้หมดไปอย่างสิ้นเชิงภายในพระไทยของพระองค์ การแปอธิบายในทํานองนั้นมันเป็นการดุมิญไปสัมพัญยุตยานแล้วก็สร้างความสับสนในธรรมะทั้งส่วนเหตุแล้วก็ส่วนผลอยู่หมายความว่าเมื่อพระไทยเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะไม่มีกิเลสประเภทที่กระตุ้นจากข้างนอกหรือว่ามีอนึกตึกนึกขึ้นมาจากภายในพระไทยจะไม่ผูกไม่แพร่ไปตามแรงของกิเลส ไม่ว่าจะปรากฏมาในรูปรักษ์ยังไงก็ตามอาการที่ในพระสูตรท่านแสดงไว้ท่านบอกว่าเมื่อหลีกไปจากที่นั้นได้นั่งขัดสมาธิที่พื้นดินไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นิ่งเกื้อเคนคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณในเราสังเกตอาการทั้งหมดนั้นเป็นอาการของคนที่ผิดหวังเป็นอาการสลดทุทูหมดอะไรตายอย่าง จะมีประเด็นหนึ่งที่ท่านบอกว่าเอาไม้ขีดแผ่นดินอยู่ในช่วงตรงนี้พระอ า, าจารย์ท่านก็อธิบายขยายความว่าตั้งปัญหาถามว่าทำไมพยามานจึงไม้ขีดดินแล้วก็ขีดทำไมแล้วก็ขีดไปกี่รอยท่านบอกว่ามานเรือ โ, โทบนัต ว่บัด น, นี้สิทธะพ้วิสัยของเราแล้วจึงนั่งอยู่บรนรถทางใหญ่เมื่อคิดตึงเหตุสิบประการมีการที่ตนไม่ได้บำเพลนานบา ร, รมีมาเหมือนสิทธะเราจึงไม่เป็นเหมือนสิทธะนี้ดังนี้แล้วจึงขีดเส้นหนึ่งเส้นลงบนแผ่นดินแล้วก็คิดื้วยมาก็สรุปว่าคิดเรื่องบา ร, รมี กิดประเนตรวนี้ต้องฟังจะต้องมองย้อนกลับไปตอนที่ต่อสู้กันคืนที่สุดนั้นก็พยายามอ้างอิงความเป็นเจ้าโพธิบาลังนะ่ะคือพยามานจะหาเรื่องกับลากัไล่พระพุทธเจ้าให้ลุกจากทรงนั้นโดยอ้างมาเป็นที่ของตนพดยเจ้าก็ตอนนั้นก็ที่จริงยังไม่ได้จะสรู้นะฮะย่างเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ทัางก็บอกว่าเป็นของท่าน เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการบำเพ็ญบา ร, รมีสามสิบทัศน์ของท่านแล้วในที่สุดก็อ้างแต่พยามาณไม่หนีตัวพยามายืนยันพระเจ้ากลับมีแม่พระธรณีมายืนยันแต่ก็ความตรงนี้ก็อยู่ในอัตกถาอีกแ่ละจะบอกว่านังธรณีมายืนยันแล้วก็บีบมวยผมคือน้ำที่ ระโพ ธ, ธิสัตว์ได้กรวดน้ำอุทิศอธิษฐานไว้เนี่ยนางธรณีได้รับเอาไว้แล้วเก็บไว้ที่มวยผมก็มาบีบจดน้ำพุ่มพวกมารและเซนามานและในที่สุดก็พ่ายแพ้ไปกระบวลานี้มันก็เริ่มมานั่งคิดเป็นการพ่ายแพ้เนี่ยคือเมื่อก่อนก็ประมาณตัวเองสูงเกินไป ก็คิดว่าทุกชีวิตก็ควรสยบอยู่ภายใต้อำนาจเข้ามาแต่ท่านก็ลืมนึกไปนะว่าเระาชายจิตตะหรือพระโพธิสัตว์ท่านมันเป็นบา ร, รมีมาสามสิบทัศน์บา ร, รมีแต่ละบา ร, รมีเนี่ยคนเราแต่ละคนก็มีอยู่ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าไม่มีใครทัดเทียม พระโพธิสัตว์ที่กำลังจะสัตรเพราะว่าบารมีแต่ละข้อ น, นั้นก็เต็มพะเมื่อมานมาคิดเทียบเคียงตรงนี้เราแพ้ตรงนี้เราแพ้ตรงนี้เราแพ้แพก็ขีดมาเรื่อยๆอย่างนีนขีดมาก็ครบเป็นสิบก็กลายเป็นบารมีสิบขัดว่าแต่ละจุดนั้นท่าน่ายแพ้ต่อพระพุทธเจ้าท่านไม่เคยสร้างบารมีมาอย่างนั้น คนท่านจริงไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแล้วพอสู้กันท่านก็นเอาชนะไม่ได้ก็เลยเพออราะพลังแห่งธรรมคือบา ร, รมีธรรมเนี่ยท่านมีไม่มากพอที่จะไปต่อสู้ซึ่งจะว่ากันในแง่ของความเป็นจริงนะฮะถ้าบา ร, รมีทัดเทียมกันมันก็ไม่คิดต่อสู้กับใครหรอกพอบา ร, รมีนั้นได้ขัดเกลากิเลสได้เจอจางบาบางลงไป เราลองนึกดูนะฮะว่าเจ้าชาติตาเป็นหนุ่มฟอรประชนบรรษาสิบกปีแต่งงานอยู่ในวังตั้งแต่อายุสิบหกจนอายุยี่สิบเก้าประชนบปรรัญายี่สิบเก้าเนี่ยสาวสันกำลังในเต็มวังไปหมดเลยมีโฟรรถเพียงองค์เดียวคือนั้นคือสแสดงว่าไม่สนพระไทยในเรื่องการมาคุณแม้จะพยายามห้อมล้อมปนปือยั่วยวนด้วยวิธีการต่างๆลอหลอยังไงก็ตาม ก็ไม่ได้สนประไทยถ้าสนระไทยเวลาขนาดนั้นคนขนาดนั้นนะฮะได้ไหวท่านเดี๋ยวระดับนั้นนี่คงจะมีพระโอรสเยอะเลยเพราะบารมีเหล่านี้มันมันได้ขัดเกลากิเลสได้เจือจางเบาปางลงไปไอ้โลกธาตุเกี่กัการมองโลกแบบพระโพธิสัตว์กับมองโลกแบบซ้ำมันชนในแต่ละจุดจึงไม่เหมือนกันคือถ้าเราเอามาเทียบดูนะฮะคนเราแต่ละคน เรามองภาพมองเหตุการณ์มองเรื่องราวอย่างเดียวกันเนี่ยก็โดยพื้นความรู้สึกแล้วก็ไม่เหมือนกันแม้แต่ประยศน์สัตว์ตําแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าคนบางคนก็มองด้วยความอยากได้หรือไม่คํานึงว่าเรามีความรู้ความสามารถเหมาะสมแก่ฐานะตําแหน่งเหล่า น, นั้นหรือไม่แต่เขาให้ได้มาก่อน แต่คนบางคนเขาก็ไม่ดิ้นรนแต่ถ้ามามอบหมายมาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรคือพร้อมจะทํางานตามตาแหน่งหน้าที่แต่จะไม่ขวนขวายไม่ดิ้นรนที่จะแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก็แสดงเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นที่จริงมันก็คือวัตถุกรมกิจกรรมคุณอย่างหนึ่งนะฮะเราอาจจะถือว่าเป็นธรรมารมหรืออาจจะถือว่าเป็น ปลูวัตถุกรรมหาข้อข้างต้นก็ได้นะฮะแต่เมื่อคนเข้าใจความจริงว่ามันเป็นเพียงสมมติเฉยๆการดิน้นรนไปเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นมันก็มีแต่เพิ่มกิเลสแล้วก็เพิ่มทุกข์คือหมายความว่าถ้าดิ้นจนได้นะะก็แสดงว่าเพิ่มกิเลสแต่พอได้มาแล้วก็เพิ่มทุกข์ซึ่งจะต้องปฏิบัติภารกิจตรงนั้น แต่ถ้าหากว่าเขามอ้หมายเขาก็มองจากคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่เหมาะสมเราก็ไม่ต้องเพิ่มกิเลสแล้วก็ทํางานไปโดยไม่ต้องเพิ่มทุกเพราะมีความรู้ความสามารถที่จะทำแต่ว่าสิ่งอีข้ออีหกข้ อ, อ, ขอนี่เป็นเรื่องใหญ่แต่ละข้อเนี่ย หรือท่านออกมาเทียบเคียงแล้วก็บอกว่าท่านไม่มีอย่างที่พระพุทธเจ้ามีคืออินสียะประโยชน์ปริยัติยานพระปรีชาญาณที่ยังรู้ความแก่อ่อนของอินส์ตอนนี้ที่จริงพิะเจ้ายังไม่ได้เทศโปรดนะฮะยังไม่ไเทศโปรดใครเพียงแต่ว่าท่านก็ขัดขวางไม่ให้พระพุทธเจ้าไปเทศโปรดใคร ก็บอกว่าก็ไม่น่าจะไปไปเทศโกรกคนอื่นพุทเจ้าก็ไม่ยอมรับความเชื่อตรงนั้นทีนี้เมื่อจะเทพโรธเนี่ยก็มีโอกาสจะประสบความสาเมร็จเพราะว่าทรงประกอบด้วยอินทรียัประโยปร์ปิยติยานรู้ความแก่อ่อนของอินทรีทั้งห้าประการ โดยถ้าเรามองถึงการศึกษาในปัจจุบันก็คือเรื่องความพร้อมความพร้อมของนักเรียนนักศึกษาพร้อมอ่านพร้อมเขียนพร้อมเรียนพร้อมฟังพร้อมวิเคราะห์วิจัยพร้อมทําความเข้าใจพร้อมจับพิปรายะอะไร แ, ะแต่ใ่ก็แล้วแต่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นกลุ่มธรรมะระดับนําทั้งหมดแต่ว่าทรงจัดไว้ในที่เดียวกันห้าข้อเห็นไหมความาในห้าข้อเนี้ยที่จริงใครเป็นผู้นําก็ได้ คือใครเกิดก่อนก็ได้นะฮะแล้วย่าดึงเพื่อนอีกสี่ข้อเข้ามาก็คือสัตทินสีอินทรีย์คือศรัทธาความเชื่อความเชื่อมั่นคงที่ยั่งลงในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็วิริยสีอินทรีย์คือปริยะปความเพียรที่มีกำลังแก่กล้าสามารถขจัดความเกียจคร้านออกไปได้สัตทินสอินทรียคือสติ ที่เป็นใหญ่เหนือความพุ่งสัน้นไม่ใช่เหนือความพุ่งสัน้เนเหนือความหลงลืมเลอะเลือนนะฮะหลงลืมเลอะเลือนกของสติเพราะขาดสติแล้วสมาธิอินทรีย์อินทียคือสมาธิที่จะจากความพุ่งสั้นทัศสายของจิตได้มาความอาการพรุ่งสั้นทัศสายของจิตจะไม่ปรากฏแล้วก็ ปัญญ์สี่อินทรีย์คือปัญญาก็เป็นความรอบรู้ที่รู้แจ้งแทงตลอดถึงความจริงนะครก็จัดตัวอวิชาออกไปได้โดยเราจะเห็นว่าแต่ละข้อเนี่ยเป็นผู้นําเพื่อนได้ทั้งหมดคือนําสูนิพานเลยนะฮะระดับนํำสูนิพานได้เลยคือคือแต่ละข้อก็จะนําได้ทั้งนั้น เช่นศรัทธายติรติโอคงังบุคคลจะข้าม่วงน้ําคือกิเลสได้เนี่ยโดยศรัทธาปิเรียนาดุกมัจเจติคนร่วงทุกได้เพราะความเชียนสติโลกาสมิชาคาโรสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกสมาธิพิกเวภเวทะสมาหิโตยถาปูตังปัญชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงทําสมาธิให้เกิดประพลที่มีจิตใจเป็นสมาธิยมรู้เห็นตามความเป็นจริง ปัญญายาปริสุทธิ์คนจะบริสุทธิ์หมดจดได้ด้วยปัญญาเพราะนันก่อนจะเทศสอนใครเนี่ยคุยเจ้าจะทรงตรวจดบดูอินรีก่อนครั้งใครอ่อนคร้งใครแก่กล้าบางทีก็เพิ่มพูนอินรีบางทีก็ปรับอินซีบางทีก็บ่มอินรีจะแล้วแต่กีอินรีบางทีเนี่ยมัน จะสมมติว่าศรัทธามากเกินไปโดยขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาเนี่ยก็ใช้ไม่ได้นะฮะศรัทธามจะงม ง, งายไปเลยแต่ทีนี้ถ้าศรัทธาไอ้ปัญญามากเกินไปโดยไม่ได้ยึดเหนี่ยวศรัทธาเอาไว้มันก็กลายเป็นคนสติเฟื่องไปได้เห็นะะความเพียรกับสมาธิมันก็มีลักษณะอย่างงั้นถ้าความเพียรเขามากเกินไปจใจมันก็ไม่สงบนะฮะประกายไม่สงบ แต่ถ้าสมาธิมากเกินไปโดยความเพียรตามไม่ทันคนก็ง้องง่วงก็งงหลับแต่สติเนี่ยมากเท่าไหร่ยิ่งดีไม่มีปัญหาอะไรสติยิ่งมากยิ่งดีเพราะสติมันจะทําหน้าที่คล้ายๆกับเรคือ ส, สอบสอบศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาเนี่ยเอแตาเทียบก็เหมือนกับรถแต่ก็เหมือ น, นคนขับรถอ่ะอีสี่ข้อก็เหมือนกับรอรถทั้งสี่ คนขับก็จะต้องตรวจสอบดูสภาพไปเรียบร้อยแล้วก็ขับไปตรรมาทั้งห้าข้อนี้ทรองอุปมาว่าเหมือนกับสหายห้าคนคือเวลาไปบ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งเนี่ยสหายทั้งห้าคนนี่อีสีคนนี่เป็นบุตรของอมาตะคือตัวปัญญาเนี่ยเปรียบกับเหมือนกับราจกุมารปัญญาเป็นหลักนะ เวลาไปบ้านเพื่อนคนใดคนหนึ่งเพื่อนคนนั้นก็รับผิดชอบเพื่อนอีกสี่คนเพื่อนอีกสี่คนก็ช่วยเหลือแต่พอมาถึงในวังแล้วนี่ทุกคนต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของพระราชกุมารบอนพระราชกุมารก็จะเป็นผู้นําพำศาสนาจริงๆเราก็เป็นศาสนาแห่งปัญญาคือถ้าเราพัฒนาปัญญาขึ้นไปได้เพียงข้อเดียวนะฮะอย่างอื่นก็เกิดติดตามมาเอง แล้วก็อาสยามนุสยยา น, ยายานปีชายานที่อย่างรู้พื้นจริตอัธยาศัยลึกๆ ล, ล, ลงไปนะจิตสันดานของมนุษย์เนี่ยเมันทําให้พระพุทธเจ้าเป็นสารถีที่ฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมที่เราสวดสรรเสริญว่าอนุตรูปิสธรรมสารถีเนี่ยเป็นสารถีที่ทรงฝึกคนได้อย่างยอดเยี่ยมไม่มีสารถีอื่นจะยิ่งไปกว่า พระไลพระสงมองคนทะลุผ่านเข้าไปถึงอัธยาศัยนิสัยวาสนาบารมีจิตสันดานจนถึงลึกสุดเนี่ยฮะลึกสุดก็คือจิตสันดานของบุคคลเหล่านั้นพ้ะทรงแสดงธรรมาให้คล้อยตามพื้นเพจริตัติยาศัยของเขาซึ่งกุศลสมัติเหล่านี้พยามารได้พูดเลยนะฮะเพราะว่า โดยเฉพาะอาศัยนุศยานเนี่ยมันเป็นระดับของพระพุทธเจ้าคนอื่นก็เอาไม่ถึงนะฮะก็เข้าไม่ถึงในเรื่องแบบนี้ปัญหาสําคัญที่พึงยกย่องสรรเสริญก็คือว่าเมื่อก่อนพระยามานไปงองเฉพาะที่พระพุทธเจ้าเลยก็สร้างปัญหาแก่ตัวเองสร้างความอาวบอศ่มหดหู่แก่ตัวเอง แต่ในสุดก็มองกลับมาที่ตัวเองแล้วก็ยอมรับสถานภ า, ภาพของตนเองว่ามันก็อ่อนด้อยนะอ่อนด้อยกว่าปัญหาใหญ่ในชีวิตของมนุษย์เราเนี่ยจะเรียกว่าแข่งดีคือบางทีเราก็ไม่มีความดีอะไรที่จะแข่งนะอย่างที่โบราณท่านพูดไว้กลุมคายว่า คนอวดดีไม่มีดีจะอวดเขาว่าชวดบอกสะดูดูหน้าขันเขาว่าไก่ไพ่ว่าเป็ดเท็ดช่างมันเราวตะบันทั้งที่สูงไม่รู้เลยเป็นลักษณะอวดดีก็คือแข่งดีก็อวดไปแล้วเราก็ไม่ดีจริงเพราะถ้าดีจริงที่จริงก็ไม่ต้องอวดเพราะการอวดนั้นเป็นอาการของโลภะคือความโลภคืออยากเด่นอยากดังอยากให้คนอื่นก็ยอมรับนับถือ ปาญพญามานพอหานกลับมาที่ตัวเองก็เห็นว่าตัวเองมีจุดอ่อนมีจุดด้อยแล้วข้อต่อไปก็คือหมากรุณาสมาปฏิยานปฏิชายานที่เข้าถึงหมากรุณาเนี่ยคือทำให้มีทรงเลือกเฟ้นธรรมะที่จะวางให้เหมาะสมแก่คนด้วยความกรุณาต่อคนโดนน คือแต่ละข้อเนี่ยแกนึกถึงข้อหนึ่งแกก็ขีดเส้นหนึ่งนึกถึงข้อหนึ่งก็ขีดเส้นหนึ่งตัวนี้ก็มีทั้งหมดก็หกข้อนะฮะรวมกับบารมีบารมีสิบก็รวมมีสิบหกข้อข้อต่อไปคือยมกปาฏิหา ร, รยานประยานที่ยังรู้ถึงปาฏิหารยมกปฏิหารคือปาฏิหารที่เป็นคู่ๆแล้วนาวรยานนะยานที่ไม่อาจจะยังรู้ได้ก็เป็นผลตรงของการดัสรูต และก็สัรรยุตยานนะฮะป็นตรวสัสรู้โดยส่สยสงขอเหล่านี้ไม่ทั่วไปแก่คนทั้งหลายก็หมายความว่าทุกคนก็มีอยู่ระดับหนึ่งพอสมควรเนี่ยนะฮะอาจจะหนึ่งในแสนในล้านก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่ไปเทียบกับเท่ากับพระพุทธเจ้าวันโดยเฉพาะตัวปยามานเองเนี่ยยิ่งห่างชั้น ในสุดก็ต้องยอมจำนวนแต่ข้อความช่วงตรงนี้พระปัภาษาาจารย์ท่านอธิบายนะฮะไม่ใช่พระพุทธเจา้าเล่าท่นานอธิบายก็เอามาก็ร้อยเรียงกันไว้เพื่อจะให้มองเห็นความต่อเนื่องทีนี้ในพกสูตรเนี่ยก็ได้แสดงว่า มาระธิดาทั้งสามตรงนี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยา ก, ก น, นะฮะเพราะว่าชื่อแกเหมือนเหมือนเดบกิเลสแต่ถ้าเราไปที่อินเดียเนี่ยชื่อคนแบบกิเลสอนี่ยเยอะราคีราคาเนี่ยเยอะเลยนะฮะพวกกันทัปัญหาอะไรแต่อะไรหนมันเป็นภาษาธรรมดานะฮะภาษาที่เขาเรียกคือภาษาเหล่านี้มันมีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าธรรมะเนี่ยมันไม่มีชื่อถี่พุทเจ้าจสรุปธรรมาไม่มีชื่อหรอก วนันเมื่อสงสารสรู้เนี่ยพระเจ้าก็ตั้งชื่อเรียกตามอาการของมันตีต่างว่าพระพุทธเจ้าเป็นฝรัง่งไอ้ชื่อธรรมะ ก, ก็คงไม่เรียกอย่างนี้แร้วก็เรียกเป็นภาษาฝรัง่งไปแล้วสิ่งเหล่านี้จะอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมรูปธรรมมาเป็นสื่อนะมาใช้เป็นเครื่องมือในการเรียกสิ่งเหล่านั้น คนตัญหาซึ่งเป็นอาการทางจิตที่เกิดขึ้นแล้วก็ทำจิตได้ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากกวยดความปรารถนาอยากได้อยากมีอยากเป็นราไมาชื่อคนนะแสดงลักษณะของคนก็ได้นะฮะก็เรียกชื่อคนก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรอรารติแปลว่าไม่ยินดีนะฮะอรารติก็คืออาการของโทสะอ่อน แต่ลักษณะการปฏิเสธเป็นกิเลสประเภทผลักออกะกล้ๆกับใครส่งขนมมาให้เราเราไม่ชอบเราไม่ถูกกันเราก็ผลักเราก็ปฏิเสธเป็นกิเลสประเภทโทสะคือผลักออกแล้วก็ราคาก็คือราคะในความกำหนัดความต้องการในทางเพศประเดีเธอทั้งสามนี่มันชื่อเป็นกิเลส แล้วคนก็ไปมองว่าเป็นการเหนียวนึกขึ้นภายในพระทยของพระเจ้าเองไม่ใช่เป็นเทพทิดามานอะไรที่ไหนนะแต่ว่าที่จริงก็ออกจะสูรู้ไปหน่อยนะเพราะว่ามันมีความชัดเจนอะไรทั้งหมดเนี่ยคือที่ที่ยุ่งมากเนี่ยคือพระใจบิดกแล้วมันฝีมือของพออระอรหันท่านร้อยเรียงท่านรวบรวมท่านลำดับเอาไว้ ห้าร้อยปีในสืบต่อมาด้วยพระอาหารหันตล้วนๆนะและในการต่อมาเมื่อจดจารึกเป็นอักษรก็ลอกกันตามตัวอักษรเลยก็ถือว่าการคัดลอกพระไตรปิฎกผิดไปตัวหนึ่งนี่เหมือนกับฆ่าพระองค์หนึ่งถือว่าบาปมากหลวงท่านจะระมัดระวังมากแม้จะเกิดทิ่ในการจารในการสาธยายก็ตามมีการสอบถามในการโตรวจสอบกันไว้ ไม่ปล่อยมันได้ง่ายแล้วก็ผ่านสังกญญายนาครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยทีนี้เราเนี่ยมันไปใช้สถานภาพของเราซึ่งไม่ค่อยมีสถานภาพอะไรไปวินิจฉัยไปอภิปรายไปประยุกไปอะไ ร, ะระแต่ไหนชอบพูดเอาธรรมะมาประยุกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องประยุกหรอกแล้วไอ้นี่มันมีคำใหม่ขึ้นมาคำบูรณาการ ค, ค, คุยกันคุยกันนัก บูรณาการอย่งาง น, น, นั้นบูรณาการอย่างนี้บูรณาการอย่างนั้นมันไม่ต้องบูรณาการหรอกมันเหมือนก็ปลูกต้นไม้เห็นไหมมันบูรณาการมันเองอเราปรุงอาหารใส่เข้าไปเอาของใส่ใส่ใส่ลงไปแล้วบูรณาการมันเองไงต้นไม้เราปลูกอย่างอะไรก็ได้เสร็จแล้วมันบูรณาการมันเองมันก็กลายเป็นต้นไม้ชนิดนั้นแล้วก็มีทุกส่วนของความเป็นต้นไม้ต้นนั้นเพราะธรรมะปฏิบัติเนี่ย เวลาปฏิบัติแล้วเนี่ยธรรมะเขาบูรณาการเขาเองมันเป็นสูตรเป็นกระบวนการของเขาแต่เราก็ชอบเอามาใช้จนเปื่อจนสับสนหมดเลยเะมันอะไรอะ่ะทําไมต้องไปบูรณาการอะไรเขาอะ่ะเออเราปฏิบัติสมมุติอันนี้อินรีห้าอย่างที่ว่าเนี่ยเราเริ่มที่ไหนก็ได้นะฮะเริ่มที่ไหนก็ได้แล้วเขาก็บูรณาการเขาเองอเขาสมบูรณ์หมดทุกข้อแล้วเกิดผลขึ้นไปในจิตใจของบุคคล ต้องฟังทั้งหลายใายลมประโพติญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงต่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี